คือว่ารอบสุดท้ายของรายการงานทําบุญปีใหม่ทําบุญปีใหม่นี้ก็เพื่ออะไรก็คงไม่ใช่เพื่อชีวิตใหม่ะนะ<ม>เกินเชื่อว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ําไปอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการศึกษาพระธรรมเพื่อเพื่อเส้นชาติชาลาและมรณะข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่อเส้นชาติชาลามรณะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวิสุทธิ์ที่เอาไว้เจ็ดประการด้วยกันคือวิสุทธิ์ที่เจ็ดวิสุทธิ์ที่เจ็ดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปโดยลําดับเมื่อเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับนี้บางคนก็เลยนึกว่า ถ้ารักษาศีลให้สมบูรณ์แค่ครั้งแรกก็น่าจะเพียงพอใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไม่ต้องอะไรอีกเลยแต่จริงๆหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะอะไรเพราะว่าศีล น, นี้จําปรารถนาในกุศลธรรมชั้นสูงทุกระยะคือทุกทุกครั้งเนี่ยทุกขณะนี่จะต้องมีศีลเข้าไปเป็นฐานรองรับเสมอรองรับโดยที่สุดแม้แต่วิปัสสนาชั้นสูงก็จําต้องอาศายัยศีลเป็นเป็นฐานรองรับแล้วก็ศีลตัวนี้เนี่ย เป็นธรรมที่เข้าไปประกอบร่วมในขณะอริยมรดุด้วยกุศลแศีลทั้งหลายจําเป็นแม้กระทั่งในขณะอริยมรด์เพราะวิปัสสนาที่อบรมระดับสูงขึ้นไปเนี่ยนะเขาต้องไปดึงเอาศีลมาสัมปยุทธ์กับตนไปดึงเอาสมาธิมาสัมปะยุทธ์กับตนเมื่อศีนสมาธิปัญญารวมตัวกันได้เรียกว่ามรสมังคีใช่ไหมอริยมรด์จึงจะเกิดขึ้นได้เพดังการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ถ้าเราอ่อนอ่อนในเรื่องศีล ก็ยากที่จะตรัสรู้รมอ่อนในเรื่องสมถะจิตไม่มีกำลังจิตตไม่ตั้งมั่นมั่นคงเนี่ยนะก็ยากที่จะตรัสรู้อริยสัจธรรมเพราะว่าคุณธรรมอันนี้ต้องตรัสรู้ด้วยกุศลธรรมอันเลิศนะด้วยข้อปฏิบัติที่เลิศอ่ข้อผู้ที่ปฏิบัติตามกุศลธรรมหรือกุศลที่เป็นไตรสิกขาเนี่ยนะปฏิบัติจนไม่ตำหนิตัวเองเลย แล้วก็เทวดาเขาก็ชมพรมก็สรรเสริญไม่ใช่หลับตาสรรเสริญนะหมายความว่ารู้อยู่เห็นอยู่แล้วก็ไม่ลำเอียงไม่มีอคติชื่นชมสรรเสริญตามคุณธรรมที่มีอยู่ตามคุณธรรมที่เป็นจริงก็ทั้งตั้งเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อบ่ายก็เน้นที่สัมมสัญาณเป็นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มาดูข้อปฏิบัติ ที่ต่อจากการเจริญสัมมะสะนะต่อไปเพิ่มเติมในหน้า93ข้อ699ส่วนว่าเมื่อพระโยคาวจรผู้ใดแม้กระทำความพยายามโดยนิยวิปัสนาอยู่อย่างนี้นิยวิปัสนานั้นก็ไม่สำเร็จคือก็อย่างว่านะนยะวิปัสนาก็คือการพิจารณาขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาาละเอียด เลวประณี่ใกลและใกล้ว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแล้วก็กระจายสิ่งเหล่านี้เป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณหกภาษาหเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกันหาหกวิตกหวิจารณห6พิจารณาแล้วเล่าแล้วแล้วเล่าขันก็แล้วอายตนะก็แล้ว ธาดก็แล้วอินทรีย์ก็แล้วปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็ใครครวนทบทวนอยู่นั่นแหละโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปคิดมาก็เอ๊ะมันไม่สำเร็จหมายคืาว่าคือถ้าสำเร็จหมายคืาว่ายิ่งเจริญยิ่งจิตใจยิ่งมีกำลังมากขึ้นใช่ไหมมีความสุขกับการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้มากยิ่งขึ้นอันนั้นจึงจะถูกต้องแต่ยิ่งเจริญไปยิ่งห่อเหี่ยวเฉาลงเฉาลง วันแรกคึกเหิมดีมากวันที่สองก็ผ่อนแรงลงไปครึ่งหนึ่งวันที่สามก็แทบเลิกอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อันนี้แหละเรียกว่าทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จมาพระโยคาวจรผู้นั้นพึงทําอินทรีย์ทั้งหลายให้กล้าแข็งให้แข็งกล้าด้วยความสามารถแห่งอาการเก้าที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเป็นธรรมชาติกล้าแข็งกล้าโดยอาการเก้าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยอินทรีย์มีอะไรบ้าง สัทินสีวิริยินสีสตินสีสมาทินสีและปัญญินสีที่นี้เน้นพิเศษคือปัญญินสีเนี่ยนะเพราะว่าตัววิปัสสนาตัวที่เข้าไปพิจรารณานั้นเป็นตัวปัญญินสีทำยังไงละ่ะปัญญาจึงจะกล้าแข็งถ้าเปรียบเทียบอุปมาใครเคยเอามีดฟันต้นไม้บ้างฟันไง ถ้ามีดบางๆหรือสมมติว่าเอามีดปอกผลไม้ไปฟันไปฟันต้นไม้มีแก่นฟันได้ไหมฟันเข้าไปสามฉับเนี่ยบิดเป็นจะเป็นอะไรนะโค้งไปแล้วนะบางไม่บิดก็บินนะนะั่นแหละเมื่อปัญญามันบินทำยังไงก็แสดงว่าคุณภาพไม่มีกำลังคุณภาพของยานะหรือวิปัสสนาปัญญาไม่มีแรง เพราะฉะนั้นภิกษุย่อมเล็งดูแต่ความเสื่อมอความสิ้นไปของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นคือพยายามนาะมามาณสิการถึงความสิ้นไปของสังขารทั้งหลายตรงนี้ถ้าใครเจริญมรณานุสติควบคู่กันไปนี้จะได้ประโยชน์มากใช่ไหมและลึกถึงว่าผู้นั้นก็ตายแล้วผู้นั้นก็ตายแล้วสังขารทั้งหลายก็มีแต่สิ้นแล้วสิ้นแล้วก็ไม่มีเหลือเลยสังขารก็ทยอยสิ้นไปโดยลําดับ ก็ที่สอบอกว่าย่อมทําวิปั ส, สนาญาณให้สําเร็จโดยทําอย่างเคารพในอันจะเจลงดูความสิ้นไปนั้นคือหมายความว่าวิธีการปฏิบัตินั้นอ่ะการเจริญการพิจารณานั้นทําด้วยความเคารพทําด้วยความเคารพคืออย่างไรตั้งใจทํานั่นแหละตั้งใจทําเอาเป็นกิจการงานถือเป็นสาระหลักถือการเจริญการปฏิบตัติการพิจารณาเหล่านี้เป็นสาระของชีวิตที่จะต้องทําด้วยความตั้งใจจริง ทำด้วยความภาคเพียรพยายามเสียสละอุตสาหะ น, นะเคารพอย่างอย่างเต็มที่ในในการพิจารณาเพราะเชื่อว่าปัญญาที่พิจารณานี่แหละจะช่วยให้เราพ้นทุกข์เพราะตัวนี้เนี่ยวิปัสสนาตัวนี้เป็นยานยานเครื่องนําออกจากวัตตะเนี่ยนะเป็นยานเหมือนรถเนี่ยนะอากาศยานเป็นต้นเนี่ยนะเพราะยานเหล่านี้ที่จะช่วยให้เราออกจากสังสารทุกข์ได้ ก็เลยทําหรือเจริญญาเหล่านี้ด้วยความเคารพในอันจะเร็งดูความสิ้นไปนั้นอ่ะคือดูความสิ้นไปนั่นแหละแต่ดูอย่างคนตั้งใจทําทําด้วยความเคารพอย่างแรงกล้าข้อสบอกว่าย่อมทําวิปัสสนาญาณ น, นั้นให้สําเร็จโดยการทําติดต่อกันในอันจะเจลงดูความสิ้นไปนั้นก็คือทําแบบอะไรติดต่อกันไม่ใช่แบ่งเวลาทำใช่ไหม ถ้ายังแบ่งเวลาทำเนี่ยนะประสบที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นไปได้ยากจะต้องทําให้ต่อเนื่องกันทั้งเชา้าสายบ่ายค่ําหัวค่ํำดึกก็พักผ่อนแล้วก็แต่เชา้ามืดก็จเจริญต่ออย่างเงี้ยให้เป็นเป็นอะไรนะเป็นอาชีพหลักว่างั้นเถอะถือทิ้งธุระอื่นหมดถือเอาธุระนี้เป็นสําคัญอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวิปัสนาธุระเนี่ยนะถือเอาธุระนี้เป็นหลักทําติดต่อกัน แล้วก็ย่อมทำวิปัสนาญาณนั้นให้สำเร็จโดยทำสิ่งที่เป็นสปายะมีอันเจ็งดูแต่ความสิ้นไปนั้นนะต้องจัดสปายะให้ตัวเองให้ได้เช่นจัดที่อยู่ให้เป็นสปายะเขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่สปายะเรียกว่าเสนาสนะสปายะเมื่ออยู่เสนาสนะใดก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องเลือกเอาคนที่เป็นสปายะ คำว่าสปายะคือคนที่เกื้อกูลต่อการเจริญกรรมฐานพวกไหนไม่เจริญกรรมฐานก็อ่นะถ้าเขาไม่หลีกเราเราก็หลีกเขาเองแล้วก็อะไรต่อไปอีกอาหารสปายะไหมอุตสปายะไหมอิริยาบถเปลี่ยนให้สม่ำเสมอพอไหมพูดมากไปหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยพวกนี้สปายะเหล่านี้สําคัญมากหย่อมทําวิปัสสนาญาณนั้นให้สําเร็จโดยการถือเอานิมิตของสมาธิ อย่าลืมเจริญสมาธิด้วยนะพิจารณาไปก็สมมติถพิจารณาไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยก็กลับมาเจริญเมตตาหรือเจริญอสุภกรรมฐานหรือเจริญอาณาปานสติเป็นต้นข้อ็บอกว่าย่อมทําวิปัสสนาญาณให้สําเร็จโดยภาวะที่ทําโพชฌงทั้งหลายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมก็ต้องปรับฐานฐานของจิตหน่อยว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไรคือการเจริญโพชฌงเนี่ยนะ ก็ขอไปการปฏิบัติธรรมเหล่านี้พอเจริญไปเจริญมาเอมันชักง่วงและวใครเรียกว่าจิตหดหูมันท้อแท้และไอ้คําว่าท้อแท้เนี่ยแบกแหม่มันจะพักแล้วมั่งเนี่ยนะนี่เราก็เจริญมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เวลาสมควรจะพักผ่อนได้แล้วมันคล้ายๆก็ว่ามันชักหดหูเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าถ้ารถก็คือมันมันหมดแรงแนละ้วมันผ่อนเต็มที่เกือบจะดับแล้วเครื่องอ่ะันนี้ทํำยังไง ท่านบอกว่าให้ไปเจริญปีติสัมโพชฌงเจริญวิริยะสัมโพชฌงและเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเพราะว่าจิตที่ที่หดหูเนี่ยก็คือถีนมิธะมันเริ่มแทรกเข้ามาเยอะแล้วก็ต้องไปเจริญปีติสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงให้มากทีนี้เร่งไปเร่งมาอา้าฟุ้งอีกแล้วไม่ชัดเจนสักอย่างเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าเร่งอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งวันทั้งคืนแล้วถามว่าดีไม่ดีไม่ใช่เข้าใจอะไรมากนะดีจับอะไรไม่ได้เลยซ า, ากอย่างถ้าอย่างนี้ต้องเจริญทําไงนิพิพัฒสสนาก็เหมือนกันพอทําไปทําไปทําไปแล้วฟุ้งอะ่ะนี่แหละที่ต้องเจริญปัสสติสัมโพชฌงเจริญสมาธิสัมโพชฌงแล้วก็เจริญอุเบกขาสัมโพชฌง ข้อเบอกว่าย่อมเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความเป็นผู้ไม่เยื่อใยในกายและชีวิตอันนี้หมายคือว่าต้องละอะไรในร่างกายและชีวิตยังเสียดายชีวิตอยู่หรือเปล่าท่านไม่ได้ให้เราไปฆ่าตัวตายหรอกแต่ว่าเราจะอ้างว่าอ้างอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเดี๋ยวนี้จเจริญไปเดี๋ยวก็ร่างกายมันจะป่วยเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ต้องอะไรในร่างกายและชีวิตข้อ8ย่อมทำภาวนาให้สําเร็จโดยการข่มข่มยังไง ข่มด้วยวิริยะเนี่ยนะข่มความทุกข์ที่เกิดขึ้นออกไปจากความใยดีในร่างกายและชีวิตในการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความเป็นผู้ไม่อะไรในกายและชีวิตนั้นคือพอพอเจริญไปเจริญไปเนี่ยนะบางทีความทุกข์ทางใจมันก็เกิดขึ้นใช่หหรือบางทีความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นก็ต้องของ่มข่มความทุกข์เหล่านั้นด้วยความเพียรกาวย่อมทำภาวนาให้สาเร็จโดยการที่ไม่เลิกล้มเสียในระหว่าง ต้องไม่ไม่โครงการนี้ต้องไม่เลิกไม่เลิกในระหวา่างสมัยหลังพุทธกาลมาเนี่ยนะมีพระเทระวิรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาสิวธทระเนี่ยนะพระมหาสีวธทระนี่เป็นคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สอนลูกศิษย์สิบแปคณะใหญ่ลูกศิษย์นี่เป็นหมืน่นแล้วลูกศิษย์ที่สอนไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าไปปฏิบัติเป็นผ้าอหั์กันหมดเหลือแต่อาจารย์นี่แหละแต่อาจารย์ก็มวัวแต่ห่วงสอนอยู่นั่นแหละ ทีนี้ลูกศิษย์ที่ที่ที่ไปปฏิบัติบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยนะไปเจริญเอาที่เต็มที่พอบรรลุเป็นพระอรหรันก็เข้าพระสมาบัติสวอยความสุขพอตัวเองละลก้อได้ความสุขสเสวอยอยู่กับศึกออกจากพระสมาบัติก็นึกถึงผู้มีอุปการะคุณคือนึกถึงคุณของอาจารย์อาจารย์ของเรานี่ได้สเสวยสุขเหล่านี้ไหมเนาะก็นึกไปอ้าอาจารย์เราเป็นปุตุชนเนี่ยพอรู้ว่าอาจารย์เป็นปุตตุชนเข้าก็เลยอยากจะสงเคราะห์อาจารย์ ว่าอาจารย์นี่โมแต่ห่วงคนอื่นมากไปจนตัวเองเนี่ยจะเสียประโยชน์แล้วนะก็เลยจะไปสงเคราะห์ อ, อาจารย์ก็ไปไปก็เข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ครับผมมาขอเรียนธรรมะด้วยคืออาจารย์เนี่ยลูกศิษย์เยอะมากจนจําศิษย์คนไหนเป็นคนไหนไม่ได้เพราะมาเป็นคณะใหญ่ๆ ใ, ใช่ไหยก็จําคนไหนเป็นคนไหนไม่ได้ก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับผมมาขอเรียนบอกเออเธอฉันไม่มีเวลาหรอกอนะคือไม่มีเวลาจะสอนเอางี้นะผมตอนเช้าก็แล้วกันครับ ตอนเช้านะก็มีคณะนั้นมาตอนสายสิครับออตอนสายก็มีคณะโน้นมาตอนเที่ยงก็แล้วกันตอนเที่ยงก็มีอีกคณะหนึ่งสรุปตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกก็ยังมีลูกศิษย์เนี่ยมาเรียนสรุปว่าลูกศิษย์เรียนแทบจะคือสิบแปดคณ ะ, ะคิดดูจะต้องวนแบ่งเวลากันยังไงทีนี้แล้วบอกอาจารย์ทาอย่างนี้ทุกวันเลยหรือก็บอกใช่ คือไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรเป็นของตัวเองเลยไม่มีการไม่มีเวลาที่จะไปหลีกเล้นไปตรึกไปเจริญไปเพ่งเพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านทรงพระไตไปดกอยู่กับลินกับปากใช่ไหมใครมาถามก็ตอบไปต่อบไปต่อไปต่อไ ป, อไ ป, อไปก็ต้องแทบไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเป็นของตัวเองอะไรเลยไม่ได้ไปเจริญไปอบรมไปอะไรซากอย่างทีนี้ท่านก็พระที่มาเรียนด้วยนะเขบอกว่าโอ้วอาจารย์ไม่มีเวลาเลยเนาะ สงสัยอาจารย์ไม่มีเวลาตายหรอกอะไงก็เลยเสร็จแล้วก็บอกอาจารย์ครับผมลาแล้วครับก็เลยเหาะไปต่อนหน้าอาจารย์นั่นแหละเหาะกลับอาจารย์นี่รู้เลยว่าเฮ้ยนี่เขาไม่ได้มาขอเรียนอะไรกับเราหรอกเขาจะมาสงเคราะห์เราท่านก็มาหน้าอาจารย์ก็เกิดขึ้นเอ้ยคนอย่างเราเนี่ยนะมันไม่กี่วันก็บรรลุ้แล้วก็เลยออกจากวัดเลยตอนที่พวกลูกศิษย์มาเรียนเนี่ยนะ ท่านก็แต่งท่านก็เข้าเข้าไปในลูกศิษย์ไม่สังเกตแล้วว่าอาจารย์ตามไปด้วยอาจารย์ก็นี้ไปอยู่ณนะเงื้อมเขาแห่งหนึง่งท่านก็ไปเจริญกรรมฐานวันนี้นี่แหละจะบรรลุแล้วก็เจริญอย่างนี้นแล้วไม่บรรลุสักทีก็บอกว่าคิดไปเดี๋ยวจะบรรลุแล้วเดี๋ยวจะบรรลุแล้วไม่บรรลุบอกต้องบรรลุก่อนเข้าพรรษาวันจะเข้าพรรษาแล้วไม่บรรลุก็อธิษฐานอีกบอกว่าภายในพรรษานี้ต้องบรรลุให้ได้คิดดูนะท่านทรงพระไตยปิดกเรื่องข้อปฏิบตัติท่านไม่สงสยัยแม้แต่นิดเดียว เนะเพราะท่านเก่งขนาดสอนให้คนอื่นบรรลุได้เป็นหมื่นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจหรอกท่านก็รูเจริญไปพอเจริญไปเขาเอ๊ะไม่บรรลุท่านก็เลยสมาทานบอกไม่นอนแล้วตั้งอันนี้ไม่นอนใช้อิริยาบดสามทีนี้ก็ใช้อยู่เงี้ยนะบอกปีนี้ต้องบรรลุให้ได้ก็ไม่บรรลุสองปีสามปีสี่ปีสิบปีผ่านไปก็ไม่บรรลุอีกเอ ย, อยังไงอีกทําไปเรื่อยๆเนี่ยปีที่สามสิบผ่านไปพอปีที่สามสิบเนี่ยนะ ไปนั่งร้องให้อยู่หัวจงกรมนั่งร้องให้เรานี่มันคนอาภัพอับโชคไร้วาสนาสีใจใหญ่เลยนะทีนี้นางฟ้าหรือเทวดาที่อยู่ข้างๆที่จงกรมก็เลยมาร้องให้ฝั่งโน้นบ้างะก็กร้องให้ท่านก็เลยเดินให้ใครมาร้องให้ทําอะไรแถวนี้ก็ไปถามว่ามาร้องให้ทําไมก็บอกก็ก็ร้องให้อย่างนี้แหละเผื่อจะได้สักมรรคสองมรรคกว่ากันนะถ้าจะบรรลุได้เพราะร้องให้ก็จะบรรลุด้วยนะ ท่านก็เลยดูสิเทวดายังมาถากถางเจ้าเลยสิวะนะก็เลยพิจารณาสังเวขวัตุเจริญกรรมฐานก็บรรลุเป็นผ้าอาหา์ในตอนนั้นนะคือท่านไม่เลิกในระหว่างนี่บางคนเนี่ยนะไปแค่สามวันนี่เลิกแล้วนะทั้งๆที่ข้อปฏิบัติก็ยังไม่รู้นะแต่มันก็น่าเห็นใจนะเพราะข้อปฏิบัติก็ไม่รู้นะไม่รู้จะเจริญไปยังไงเจริญให้เป็นอะไรไม่รู้ซากอย่างถึงจะไปดันทุรังมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นหรอก เพราะข้อปฏิบัติวิธีการเดินทางก็ไม่ชัดเจนเรื่องวิปัสนาเป็นต้นเข้าเข้าใจไม่ชัดเนี่ยนะมันยิ่งทำไปยิ่งแต่เพิ่มความสงสัยแต่นี้ท่านไม่สงสัยแต่ท่านรู้ว่าเราคงมีวาสนาน้อยท่านก็เลยร้องให้เสียใจออกไปเพราะการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่เลิกเสียในระวังผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งหลายก็ตั้งกี่ปี30ิปีเนี่ยนะระดับผู้ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะ ท่านของเราเนี่ยอยู่มีชีวิตถึงหรือเปล่าเนาะเนี่ยสามสปีใครไม่ได้ศึกษาธรรมะคล้ายๆแบบนี้จนตลอดไปเถอะนะสาปีนี่คงจะได้อะไรบ้างเลยนะสรุปว่าถ้าหากว่าพิจารณาพิจารณาตามสัมมสานาญาณพิจารณาอาดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีื้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อน พิจารณาแล้วแล้วเล่าๆแล้วแล้วเล่าๆก็หมายความว่ามันไม่สำเร็จเนี่ยนะจิตมันไม่ร่าเริงไม่อาจรานไม่ค่อยภาพเพียรพยายามเลยท่านจึงบอกว่าต้องทำอินทรีย์ให้แก่กล้านะอย่าลืมข้อแรกตามเห็นแต่ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายว่ารูปสิ้นไปอย่างนี้เวทนาสิ้นไปอย่างนี้สัญญาสิ้นไปอย่างนี้สังขารสิ้นไปอย่างนี้วิญญาณสิ้นไปอย่างนี้อย่างที่สองก็ต้องทาให้ ต่อเนื่องอย่างที่สามต้องทําให้มันเป็นส ป, ปายะนะข้อสี่ต้องอย่าลืมเรื่องสมาธิข้อข้อห้าเออข้อห้าเรื่องสมาธิอา่าโทษทีนะข้อแรกเห็นแต่ความสิ้นไปใช่ไหมข้อสองทำด้วยความเคารพเนี่ยนะสกกะจะก็คือตั้งใจทําให้ดีสามสาตัดจะทําให้ติดต่อกันสี่สปายะกิริยาทําให้เป็นส ป, ปายะ ข้อห้าอย่าลืมสมาธิข้อหปรับโทษชงให้ดีข้อเจไม่อะไรในร่างกายและชีวิตข้อ8ข้อ8ต้องข่มจะ ต, ต้องข่มเป็นข้อ9อนะไม่เลิก ล, เลกล้มในระหว่างว่างั้นนะโครงการนี้ไม่สำเร็จไม่เลิกแต่ถ้าเลิกก็คงน่าเศร้าใจเหมือนกันนะถ้าเลิกถ้าเลิกโครงการในการเจริญไตรสิกขาเนี่ยคิดดูนะว่า เราจะรู้ข้อปฏิบัติแบบนี้อีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่คาสอนเหล่านี้เนี่ยจะมีผู้ชี้แนะเราอีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็เที่ยวแสวงหาพระองค์เพื่อให้พระองค์แนะนําเราดังั้นตอนนี้ถ้าเราพบคําสอนและเราไม่เจริญไม่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องเลยนะเราน่าเสียใจขนาดไหนทีนี้ถามว่าถ้าเวลาห่างกันหนึ่งพุทธันดรเนี่ยแผ่นดินสูงขึ้นประมาณ20กิโลเมตรเนี่ยนะ ถามว่าจากนี้ไปยี่สิบกิโลเมตรเราไปสะสมกิเลสอีกเท่าไหร่เพราะว่าวิชาที่เรียนไว้นี่มันเลอะเลือนไปหมดแล้วลืมไปตั้งนานแล้วไม่เชื่อก็อ่านพระไตรปิฎกบางเล่มเนี่ยนะอ่านไว้หลายๆปีหรือเป็นสิบปีไปแล้วเนียเ่ยนึกไม่ค่อยออกแล้วเนื้อหาเป็นยังไงเพราะว่ามันเลอะเลือนเหมือนกันนี่ก็เหมือนการถ้าการปฏิบัติเราเลิกรบในระหว่างไม่ได้ตรัสรู้คุณอะไรเลยแล้วก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มันจะเลิกขนาดไหนะมันก็ละเลิอกอะไรไม่ได้จําอะไรไม่ได้ นั่นก็ต้องคุณธรรมเกประการเหล่านี้สำคัญมากที่จะช่วยทำให้ศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญามีความกล้ากล้ามีความแข็งแกร่งเนี่ยทีนี้ที่สำคัญก็คือเว้นสิ่งที่เป็นอสัปปายะเจ็อย่างเนี่ยนะเสพแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะเจ็ดอย่าง คำว่าสบายะนี้แปลว่าเป็นที่สบายเนี่ยนะเกี่ยวกับทําอะไรให้เป็นที่สบายคําว่าสบายนี้สบายใจหรือสบายอะไรเป็นที่สบายต่อสมถะและวิปัสนาไอ้คำว่าสบายหมายคำว่าสมถะวิปัสนาเกิดอย่างต่อเนื่องเรียกว่าสบายถ้าสมถะวิปัสสนาไม่ต่อเนื่องชื่อว่าไม่สบายละก็ะอะไรที่ไม่เกื้อกูลต่อสมถะวิปัสนาตัดออกไปอะไรเกื้อกูลสมถะวิปัสนาก็เพิ่มเข้ามา <c oughs> ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับส ป, ปายะอาส ป, ปายะก็ไปดูในปทวีกสินนิเทศเนี่ยนะในในสมาธินิเทศพิจารณารูปตามกาละอันสมควรเนี่ยนะคิดว่าพูดแบบภาษาหน่อยก็บทิจารณารูปตามสมัยพิจารณานามตามสมัยคือว่าเวลาไหนสมควรจะพิจารณารูปเวลาไหนสมควรจะพิจารณานาม พระโยคาวจรเมื่อพิจารณารูปก็เล็งดูความบังเกิดขึ้นแห่งรูปเนี่ยนะการท่านแนะว่าควรดูโดยการคาดเอาตามแนวพระบาลีที่มาในเบื้องต้นเสียก่อนไอคำว่าดูความเกิดของรูปเนี่ยต้องไปดูตามแนวคำสอนว่าคำสอนกล่าวถึงการเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างไรต่อจากนั้นจึงปรากฏแม้โดยประจักษ์ในภาวนาญาณที่ถึงกาลังโดยลาดับและ นะก็ไปคิดตามพุทธพจน์ให้มากๆก่อนแล้วก็แล้วก็ดึงข้อความในพุทธพจน์ลงในชีวิตที่เป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในที่สุดก็จะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้สัพันธ์อยู่แล้วไม่มีพลาดเนี่ยนะนะทีนี้หัวข้อสาคัญที่บอกว่าพิจารณ า, าพิจารณารูปตามกาละอันสมควร พิจารณานามตามกาละอันสมควรนี่มาดูว่าพิจารณารูปโดยกาละอันสมควรเนี่ยนะการพิจารณารูปเป็นยังไงการเลนะรู ป, ปังสัมมาสิตพังเนี่ยนะพิจารณารูปตามกาละพูดถึงความเกิดขึ้นของรูปนี้ฉันใดขึ้นชื่อว่ารูปนี้ย่อมบังเกิดเพราะเหตุสี่อย่างด้วยอำนาจกรรมเป็นต้นรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าต้นเหตุการเกิดขึ้นของรูปคือกรรมมชรูป จิตตชรูปอุตตูชรูปและอาหารชรูปเดี๋ยนะเล็งไปที่สมุดฐานของรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะถ้าเราจะรู้รูปถ้ารู้กรรมมชรูปก็ต้องศึกษาเรื่องกรรมกรรมเนี่ยเป็นเหตุให้กรรมมชรูปเกิดอย่างไรจิตที่เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปเนี่ยจิตเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดอย่างไรอาหารชรูปเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้อย่างไรอุตตูชรูปเป็นเหตุให้รูปเกิดได้อย่างไร อธิบายว่าในเหตุสี่อย่างนั้นรูปของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจะบังเกิดย่อมบังเกิดจากกรรมก่อนนนะถ้าการเกิดขึ้นเนี่ยนะรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกของทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นเป็นสมุดฐานเนี่ยรูปที่เกิดจากการเกิดเป็นลำดับแรกสำหรับผู้เป็นขัาพศิษยากะสัตว์ทั้งหลายก่อนก็คือพวกเราทั้งหลายที่เกิดในครเนี่ยนะขณะปฏิสนธิขณะเนี่ยมีรูปอยู่สามสิบรูป คือวัตถุทัศกากราบกายทัศกากราบภาวะทัศกากราบย่อมบังเกิดในปฏิสนธิขณะนั่นเทียวโดยเกี่ยวกับสันตติ3 3 ส, สันตติ1วัตถุสันตติสองกายะสันตติ3ภาวะสันตติเนี่ยนะคือความสืบเนื่องกันเนี่ยนะ ก็รูปสามสิบเหล่านั้นแล่ย่อมบังเกิดในอุปาทขณะของปฏิสนทิจิตทีเดียวรูปนั้นนี่เกิดขึ้นในขณะปฏิสนทิจิตนะคือหลักการก็มีอย่างนี้นะพุทธพจน์ตรักว่าโอกกันติคเนนามารูปังอัญญะมันย์นะสหชาติปัจเยนะปัจโยเนี่ยคือในขณะปฏิสนทิการเนี่ยถ้าปฏิสนทิอย่างลง นามมาทำทั้งหลายและรูปธรรม ท, ทั้งหลายก็อย่างลงพร้อมกันพอดีเป๊ะเลยกรรมมชรูปเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตพร้อมกับเจตสิกในขณะนั้นในขณะปฏิสนธิเนี่ยนะเกิดที่อุปาทขณะด้วยนะทีนี้กรรมมชรูปเนี่ยอุปาทขณะมีสามสิบรูปถือว่ามีสามสิบรูปสามกลม嘛นะสามกล่ ม, นะ ม, ลมทวนอีกครั้งหนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่ง ยทัศกะกลุมที่สองภาวะทัศกะกลมที่สหัยะทัศกะก็สืบไล่ไปอย่างนี้เสร็จ แ, แล้วทีติขณะของปฏิสนธิจิตรูปก็เกิดขึ้นอีก30รูปพังค ข, ขณะของจิตรูปก็เกิดขึ้นอีก30สิรูปในปฏิสนธิจิตเนี่ยแบ่งเป็นสมขณะย่อยใช่ไหมอุปาะถีติพังคะ พันในหนึ่งในปฏิปฏสนธิจิตแบ่งเป็นสามอนุขณนะมีรูปเกิดขึ้นแล้วสะเก่้าสิบรูปรูปเกิดขึ้นแล้วเก้าสิบรูปโน้ตไว้อย่างนี้ว่าอุปาทขณะสามสิบรูปทิติขณะสามสิบรูปพังข้าขณะอีกสามสิบรูปถ้าแบ่งเป็นกลาบก็ได้แค่เก้ากลาบกลาบละสิบกลาบละสิบนั่นเองเหมือนท่านก็บอกว่าอุปาทัาขณะ เกิดส0ิรูปทีติขณะเกิด30รูปพังค ข, ขณะก็เกิด30สิรูปใครที่เรียนรูปกาลาปะมาแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะในรูปและจิตนั้นรูปเป็นธรรมชาติที่ดับช้าแปลเปลี่ยนอืดอาดนะช้ามากถ้าเทียบกับนามนะจิตเป็นธรรมชาติที่ดับได้ฉับพลันแปลเปลี่ยนเร็วเพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้สักอย่างเดียวที่แปลเปลี่ยนได้เร็วเหมือนอย่างจิตนี่เลยนะภิกษูตทั้งหลายอะไรมันจะเร็วเท่ากับจิตไม่มีหรอกนะใจเร็วด่วนได้นะคล้ายๆแบบนี้นะใจเร็วก็คือไวมากแป๊บเดียวก็ไปได้เยอะละเป็นความจริงว่าเมื่อรูปยังดำรงอยู่นั่นเทียวพวังขจิตก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิบหกวาระก็เงื่อนไขของจิตคืออย่างนี้ว่า รูปอายุของรูปเท่ากับ17ขณะจิตนะนะรูปหนึ่งรูปนะั้นมีอายุยืดยาวเท่ากับ17ขณะจิตเพราะฉะนั้นเอ่อเท่าเอ่อสิถ้า1ขณะจิตนี่แบ่งออกเป็นอนุขณะแบ่งแบ่งเป็นขณะย่อยใช่ไหมอุปาทธาทิฏิพังคะสามคูณสิบเจเท่ากับ 51, ห้าสิบเอ็ดเนไถ้าแบ่งเป็นอนุขณะก็ได้ 51, ไห้าสเอ็ดเนไ ทีนี้อุปาทะของรูปเนี่ยมีอายุเท่ากับอุปาทะของจิตพังคะขณะของรูปมีอายุเท่ากันกับพังคะขณะของจิตเพราะฉะนั้นทีติขณะของรูปมีอายุเท่ากับ49ขณะจิ ต, ตนเนี่ยนะทิิขณะเนี่ยมีอายุเท่ากับ49อนุขณะจิตสำหรับจิตทั้งสหรับจิตเป็นเช่นเดียวกันทั้งอุปาทะทั้งทีติทั้งพังคะ สำหรับรูปอุปาทขณะและพังคะขณะเท่านั้นเร็วเป็นเหมือนกับขณะของจิตเหล่านั้นคืออธิบายว่าอุปาทขณะของจิตกับของรูปเท่ากันพังค ข, ขณะของจิตกับของรูปเท่ากันแต่ทีติขณะของรูปมีอายุเท่าพูดแบบรวมก็คือประมาณ16ขณะจิตแต่จริงๆก็16บหกสิบขณะใหญ่ น, นะ16บหจิต16บหวงอ่ะ น, นะ แต่ก็แบ่งเป็นขณะย่อยมาอีกเท่าไหร่ขยะย่อยอีกสองก็เลยเป็นเรียกว่า4ี่วังขจิตดวงที่สองย่อมอาศัยวัตถุที่เกิดก่อนที่เกิดตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตซึ่งยังถึงความตั้งอยู่เกิดขึ้นภวังขจิตดวงที่สามย่อมอาศัยวัตถุที่เกิดก่อนที่เกิดขึ้นพร้อมกับภวังขจิตดวงที่สองนั้น ซึ่งยังถึงความตั้งอยู่เกิดขึ้นพึงทราบความเป็นไปของจิตตลอดอายุโดยในยะนี้ส่วนสำหรับสัตว์ผู้ใกล้จะตายจิต16ดวงย่อมอาศัยวัตถุที่เกิดก่อนอันเดียวกันนั่นแหละซึ่งยังถึงความตั้งอยู่เกิดขึ้นรูปที่เกิดขึ้นตรงอุ ป, ปาถ้าขณะของปฏิสนธิจิตย่อมดับไปพร้อมกับจิตดวงที่16 ต่อจากปฏิสนธิจิตไปรูปที่เกิดตรงฐานะขณะคือทิติขณะย่อมดับไปพร้อมกับอุปาทขณะของจิตดวงที่1 7รูปที่เกิดขึ้นตรงพังค ข, ขณะพอถึงฐานะขณะคือทิติขณะของจิตดวงที่17แล้วก็ถึงดับไปเชื่อว่าปวัติยังมีอยู่ตราบใดรูปก็ยังคงเป็นไปอย่างนี้นี่นั่นแหละตราบนั้นอันนี้สาหรับ คับภาษากะสัตว์เนี่ยนะสัตว์ที่เกิดในคันเนี่ยรูปทั้งหลายก็ซืบเนื่องกันไปอย่างนี้จนกว่าจะตายแม้สำหรับพวกโอปปาติกะสัตว์ทั้งหลายรูปเจ็ดสิบย่อมเป็นไปตามประการดังกล่าวมานี้เหมือนกันโดยเกี่ยวกับสันตติเจ็ดเนี่ยนะที่จริงตั้งใจว่าจะไม่เขียนนะแต่ก็อดเขียนไม่ได้เขียนดีไหมนั้วนะ แล้วข้างหลังมองเห็นไหมล่ะไม่เห็นก็เดินมาดูง่ายนิดเดียวคงไม่เลื่อนกระดานตามไปหรอก ก็แบ่งอย่างนี้ว่าในปฏิสนธิจิตเนี่ยนะสมว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยแบ่งออกเป็นเกียรนุขณะแบ่งเป็นสามใช่ไหมก็แรกก็อุ ป, ปาทคขณะก็สองถีติขณะก็สามก็พังคขณะเ น, นี่ยนะปฏิสนธิจิต ขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยจะต้องอาศัยวัตถุใช่ไหมต้องอาศัยวัตถุอันนี้เรียกว่าหัตยะวัตถุหัตยะวัตถุเนี่ยต้องเกิดพร้อมกันเนี่ยนะสมมติว่านี้ตารางนะว่าต้องพร้อมกันพอดีเป๊ะอันนี้เพราะหัตยะเป็นที่อาศัยเกิดของปฏิสนธิจิต แล้วก็ยังมีรูปอื่นอื่นอีกทเท่าไหร่ก็คือภาวะสำหรับพวกมีเพศนะนะ แ, <บ>แล้วก็อะไรอีกกายทศกาพอถีติขณะนะมันจะมีรูปจริงจริงต้องเขียนแบบนี้เอาไหมมันมีอายุสิบเจ็ดขณะจิตใช่ไหมสรุปว่าเอาดวงนี้เป็นดวงที่สิบเจ็ดพอดีมันจะตรงอันนี้นับหนึ่ง สองสไปเรื่อยนะใ น, นดวงที่หนึง่งนั้นอายุของหัตยยะทศากาเนี่ยยาวเท่ากับ17ขณะจิต น, นะภาวะทศากานะรูปทุกรูปเนี่ยมีอายุยาว17บเจขณะจิตเหมือนกันในปฏิสนธิขณะเนี่ยนะปฏิสนธิจิตปฏิสนธิหัยวัตถุภาวะทศากาลยัทศากะเกิดพร้อมกันขณะเดียวกันกับปฏิสนธิจิต ทีนี้พอถีติขนาดของจิตนะหะทยัทัศกาก็เกิดอีกภาวะทัศกาก็เกิดอีกกายทัศการูปก็เกิดอีกพอพังคะขนาดของจิตนะกายะหะทยัทัศกาก็เกิดอีกภาวะทัศกาก็เกิดอีกกายทัศกาลก็เกิดอีกก็เลยชุดแรกก็สามสิบใช่ไหมชุดที่สองก็สามสิบที่สามก็สามสิบ ก็ก็เกิดซ้อนกันขอโทษค่ะพระอาจารย์ฉันขอถามว่าแล้วตอนที่ที่เรียนว่าจิตตัชรูปเกิดแค่ครั้งหนึ่งของจิตถึงเกิดรูปค่ะนี่นเราเรียนกรรมมชรูปอย่างเดียวยังไม่ถึงจิตตัชรูปเดี๋ยวอดใจรออีกนิดหนึ่งตอนนี้พูดกรรมมชรูปอยู่สรุปว่ากรรมมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตอุปาทัศขณะกรรมมชรูปก็เกิดทิติขณะกรรมมชรูปก็เกิด พังค่าขณะกรรมมาชรูปก็เกิดยังไม่ดับอีกนอนอีกตั้งสิบเจ็ดขณะจิตนูน่นทีนี้คิดง่ายๆอย่างนี้ว่าอันนี้ดวงที่17บเจ็ดใช่หจะมีจิตดวงที่สิบแปดดวงที่สิบเก้าอ่าเี้เมื่อรูปชุดที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตเนี่ยไปดับพร้อมกับพังค่าขณะจิตพอดีเป๊ะเลยพังค่ขณะของดวงที่17บ็ดเนี่ยนะ ทีนี้รูปที่เกิดที่ถีติขณะเนี่ยนะอันนี้ไปดับที่ไหนดับที่อุปาทัคขณะของดวงที่สิบแปดดับที่อุปาทัคขณะของจิตดวงที่สิบแปดแล้วก็พังค่าขณะตัวเนี้ยที่เกิดพร้อมกับพังค่าขณะเนี่ยจะไปดับที่ไหนดับที่ทีติขณะของดวงที่สิบแปดเนี่ยนะแล้วก็อุปาทัคขณะของดวงที่ 2. เนี่ยนะไปดับที่ไหนดับที่พังค่าขนาดของดวงที่ส8บพอดีเพราะอายุของเขา17ขณะจิตนะก็คือคิดยังไงก็ได้ให้ใหมันอยู่ในขอบเขตสิบจขณะจิตอายุ17ขณะจิตเนี่ยเท่ากับอายุของรูปหนึ่งรูปก็เป็นอย่างนี้ทีนี้กรรมมรรูปมันเกิดทุกอนุขณะจิตเกิดทุกอนุขณะจิต มันเกิดอย่างนี้เรื่อยจนกว่าจะตายจนกว่าจะเกือบตายเนี่ยพนะันกรรมมรรูปอย่างตอนนี้เราทั้งหลายกรรมมรรูปเกิดทุกอนุขณะจิตหมดเลยเนี่ยนะทีนี้ชีวิตเนี่ยพอเจริญเติบโตมาระดับหนึ่งสมมติว่าเอาอายุของรูปเหล่านี้เติบโตมาระดับหนึ่งแล้วพอที่ถ้าพูดแบบทางโลกเขาก็แบ่งเซลล์จนกว่าจะอะไรสร้างจากักขคุทศกะสร้างอะไรอีกโตสตทศกะสร้าง ขานทศกษัตสร้างเชีวหาทศกษัตริยเนี่ยนะก็แล้วก็สร้างเป็นกลุ่มไหนอีกแล้วก็ในส่วนเหล่านี้ก็มาแบ่งเป็นสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างหนังสร้างเนื้อสร้างอะไรตามสมควรแต่ละส่วนแต่ละส่วนแบ่งสรีระแบ่งอะไรก็แบ่งไปเรื่อยๆแต่สรุปว่ากรรมมชรุปเกิดทุกอนุขณาจิตเนี่ยนะเกิดทุกอนุขณจิตเป็นไปกรมสัการเจ้าค่ะพระอาจารย์ อยากทราบว่าดวงที่หนึ่งถึงดวงที่17แล้วไปดับไปดับที่ดวงที่18นะเจ้ค่ะใช้เวลานานไหมเจ้าค่ะก็อายุ17บเจดขณะจิตเหมือนเดิมที่ที่ทิฏฐ<ค>ิขณะทิฏฐิขณะก็ไหนนะวัยขณะวัยของจิตเลก็เรารู้กฎเกณฑ์ก็พอแต่ว่าเพราะว่าชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดดับแสนโกรธขณะเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยก็ พวนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าไปอย่างถึงไม่ใช่ไปใช้จากปุภาษาทาโสตประสาทาเป็นเครื่องวัดไวแค่ไหนบอกไวกว่าแสงแสงเนี่ยเดินทางวินาทีหนึ่งเท่าไหร่เร็วมากนะน ะ, ะก็อันนี้เราพูดถึงลักษณะนี้เพื่อให้เข้าใจกฎเกณฑ์ว่าในสิ่งเหล่านี้มันมีการสร้างตัวเองมันโดยลำดับเนี่ยนะมันสร้างตัวเองมาโดยลาดับแบบนี้น ก้อนทุกข์เนี่ยมันสร้างตัวมันแบบนี้ขึ้นมาพระอาจารย์คะฉันยังมีความสงสัยว่าความหมายคือในจิตในภะมีสามขนาดตรงนั้นสามารถเกิดตั้งรูปตั้งยงยอะตั้งยาเลยเหรอคะแล้วนี่คือพูดถึงกรรมกรรมก็จะวิธีอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นจิตทัศรูปก็วิธีอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือทวนอีกครั้งหนึ่งนะปฏิสนธิจิตเนี่ยนะ รูปที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตไปดับพร้อมกับพังค่าขณะของจิตดวงที่สิบเจ็ดถ้าเกิดที่ทีติขณะของจิตจะไปดับที่อุปาทาขณะของดวงที่สิบแปดถ้าเกิดที่พังค่าขณะไปดับที่ถีติขณะของดวงที่สิบแปดถ้าเกิดอุปาทาขณะของดวงที่อันนี้นีปฏิสนธิจิตนะวังกัจิตดวงที่หนึ่ง ถือว่าดวงที่สองนับต่อจากปฏิสนธิเนี่ยนะถ้าเกิดที่อุปาทัศขณะก็ไปดับที่พังคัศขณะของดวงที่สิบปดดวงที่สิบแปก็ไล่แบบนี้ถ้ามีสมมุติอันนี้เป็นดวงที่สิบเกนะรูปที่เกิดที่ถีติขณะของพวังขจิตดวงที่ที่หนึ่งเนี่ยนะไปดับที่ไหนดับที่อุปาทัศขณะของดวงที่ สิเกถ้าที่พังค้าขณะพังค้าขณะก็ไปดับที่ทีติขนาดถ้าเกิดที่อุปาทัศขณะของผวังดวงที่ผวังของดวงที่สองไปดับพอดีที่ที่สิบแปดใช่ไหมใช่ต้องดับที่สิบแปดใช่ถูกแล้วผวังดวงที่สองเนี่ยนะไปดับที่พังค้าขณะของดวงที่สิบแปดอุปาทัอุปาทัศขนาดของดวงที่สิบสาม ดวงที่สามเท่ากับไปดับที่ไหนพังค่าขนาดของดวงที่สิบสาเนี่ยนะไปดับที่ไหนเอาคิดง่ายๆเลยไปดับที่ <ninguém> พังค่าขนาดของดวงที่สิบเกเพราะอายุเข้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วรูปเนี่ยจะเกิดอย่างนี้เรื่อยๆๆๆแล้วก็สร้างตัวเองอะ่ะคิดดูถ้ามาถึงเนี่ยรูปจะสร้างตัวเองได้ใหญ่แค่ไหนนยก็เป็นก้อนเทือประดับหนึ่งแล้วก็ค่อยๆแบ่งตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบ่งตัวเพิ่มๆๆเพิ่มเพิ่เพิมเพิ่มที่ดับก็ดับไปที่สร้างก็สร้างไป ก็ไม่รู้ว่าจนกว่าจะนาได้น้ำหนักเท่านี้อันนี้เฉพาะส่วนคิดแบบกรรมม่ชรูปนะ